เรียนกรรมาฐานนะเรียนเราต้องทำนะเราไปปฏิบัติเมืองต้นถือศีลห้าไว้แล้วก็ฝึกจิตใจให้อยู่กับเนื้อกับตัวใจล่องลอยเลื่อยเปื่อยทั้งวันนะต้องเลิกมันสนุกอะไรนักหนาลงโลกโลกไม่มีอะไรนะไม่มีสาระแก่นสารอะไร บางคนลงโลกนะยังแข็งแรงยังหนุ่มยังสาวอะไรนะี่ต้องการสิ่งโน้นสิ่งนี้มากมายอย่างหลวงพ่อเนี่ยอยู่มาจนแก่แล้วเนีย่ยเห็นมาเยอะเลยตอนเรียนหนังสือนะอยู่จุฬาเพื่อนๆืเนเขาอยากเป็นผู้ว่าอยากเป็นอธิบดีอยากเป็นเอกอัครราชทูต เป็นโน้นเป็นนี่กันหลวงพ่อไม่ได้คิดเรื่องพวกนั้นรู้สึกไม่ใช่เป้าหมายในชีวิตเราแต่ตอนนั้นยังไม่รู้นะว่าเป้าหมายจริงๆมันคืออะไรยังหาไม่เจอก็ภาวนาทำสมาธิไปเรื่อยๆ เ, เขาไปกินเหล้ากันก็ไม่ไปทำอะไรวุ่นวายไม่ไปกับเขา พวกรุ่นพี่ก็กเตือนว่าไม่ยอมอยู่ในระบบโซตัสนีดหน่อยลำบากนะทำงานมันต้องมีรุ่นพี่รุ่นน้องอะไรอย่างนี้เราก็ฟังไปงั้นเราไม่ได้คิดจะไปแย่งชิงอะไรครับตำแหน่งหน้าที่ผ่านวันเวลามาถึงวันนีนะ้เห็นชัดเลยว่า สิ่งที่คนทั้งหลายเขาแย่งชิงเขาให้ค่าจริงๆเราไม่ได้มีค่าอะไรเลยมันเป็นค่าที่คนอื่นให้อยังมีตำแหน่งสูงๆเป็นประลัดกระทรวงเป็นอธิบดีเป็นใหญ่เป็นโตมากมายสุดท้ายก็ว่างเปล่ารุ่นพี่บางคน อยู่ชมลมห้องพ่ออยู่ชมลมอนาสินรุ่นพี่บางคนเขาขึ้นไปถึงรองผู้ว่าแบงชาติมั้งหรือสุดท้ายพออายุหนะกสิบก็เสียน ก, ก็เป็นคนแก่คนหนึ่งตอนรับราชการก็เห็นเขาก็แย่งกันใหญ่ มีอำนาจต่นนี้นอยู่สภาความมั่นคงตัวเลขาที่การสภาความมั่นคงหลายคนเป็นรัฐมนตรีโตขึ้นไปถึงระดับรัฐมนตรีเราก็รู้สึกมันก็งนันงันนมันจืด ยิ่งมาเจอหลวงปู่ดูลแล้วโลกนี้เจอิสนิทเลยหลอกให้เราดิ้นรนอย่างนั้นไม่ได้อีกต่อไปละเรารู้ว่าทุกอย่างมันของชั่วคราวอํานาจชื่อเสียงทรัพย์สินเงินทองของชั่วคราวสิ่งที่ใกล้ตัวเรามากกว่านั้นคือครอบครัวเราครอบครัวเราก็ของชั่วคราวอย่างหลายคนพ่อแม่ตายแล้ว เคยใกล้จะตายแล้วญาติพี่น้องเคยเป็นครอบครัวสมัยหลวงพ่อเนี่ยครอบครัวมันใหญ่ปู่ย่าตายายอะไรอยู่รวมกันเยอะแยะเลยแล้วก็หายไปทีละคนสองคนนะค่อยๆหมดไปสังคมมันเปลี่ยนเด็กก็ไม่ได้อยู่ที่บ้านคนออกจากบ้านไปหมดก็เหลือแต่คนแก่คนหนึ่งสองคนเลย เนี่ยสิ่งที่เคยมี้วแยะอย่างหลวงพ่อเนี่ยพี่น้องแปดคนพี่น้องแท้ๆนะแปดคนตอนนี้แม่ก็อยู่กับคนที่หลวงพ่อจ้างให้ไปอยู่วันวั น, น, นลูกไปคนละทิศละทางเนี่ยก็ทั่งในครอบครัวเรานะ ก็ลมหายตายจากไปเรื่อยๆหรือว่าพลัดพากไปเรื่อยๆสุดท้ายตัวเราเองตัวเราเองก็ต้องไปเรืทุกสิ่งทุกอย่างที่สะสมเอาไว้นะก็ไม่ได้เป็นของเราจริงแย่งกันแทบตายอย่างแย่งกันอแย่กันเป็นนายกนะเป็นนายกมันก็เป็นชั่วคราวสุดท้ายมันก็ไม่ได้เป็น บางคนทำสิ่งที่ดีไว้คนก็ยังยกย่องคนทำสิ่งไม่ดีไว้คนเาก็ตามดา่านำสกุลนี้เสียหายลูกหลานอับอายอะไรเงี้ยเนี่ยไปแย่งของซึ่งมันไม่มีสาระแกนสารจริงพอเรามาภาวนานะเรารู้เลยว่าสิ่งที่เป็นสาระแกนสารไม่ได้อยู่ที่อื่นหรอก ถ้าความสุขของเรายัางยิงอาศัยคนอื่นยิงอาศัยสิ่งอื่นนะยังไม่วางใจไม่ได้อย่างตําแหน่งหน้าที่ทรัพย์สินเงินทองครอบครัวนีว่อะไรเงี้ยยังไว้ใจไม่ได้กระทั่งร่างกายเรายัางไว้ใจไม่ได้เนี่ยมันพร้อมจะแตกสลายเมื่อไหร่ก็ได้หลวงพ่อก็เคยเจอนะคนปุ๊บปั๊บตายนะเห็นกันอยู่แป๊บๆเนี่ยตายละ สำลักข้าวตายอาหารไปอุดหลอดลมตายตายในเวลาห้านาที่วรลดชนลดก่้าเงินในโลกนะตั้งแต่ห่างๆออกไปคคนรู้จักตำแหน่งหน้าที่ทรัพย์สินเงินทองครอบครัวรมถึงตัวเองเมื่อเราเป็นที่พึ่งที่อาศัยที่แท้จริงไม่ได้ เรามาหัละภาวนาเรารู้เลยว่าที่พึ่งที่อาศัยของเรามีเรามีอะไรเป็นที่พึ่งที่อาศัยของเราตอบได้ไหมเรามีกรรมเป็นที่พึ่งที่อาศัยของอื่นเอามาพึ่งไม่ได้ถ้าเราทํากรรมดีไว้กรรมดีจะเป็นที่พึ่งที่อาศัยของเราส่งผลให้จิตใจเรามีความสุข สิ่งที่คนในโลกปรารถนาเนี่ยคือความสุขแต่เขาไม่ฉลาดเขาคิดว่าความสุขเนี่ยอิงอาศัยคนอื่นอิงอาศัยสิ่งอื่นมีเงินเยอะๆแล้วจะมีความสุขมีเงินเยอะก็ไม่เห็นจะมีความสุขอะไรนะมีชื่อเสียงเยอะยิ่งเครียดหนักเข้าไปอีกนะไม่ได้ดีอะไรขึ้นมาแต่มีกรรมดีของเรานะอย่างเรา ตั้งใจรักษาศีลห้าให้เด็ดเดี่ยวเนีตั้งใจไว้รักษาไว้ทุกครั้งที่เรานึกถึงนะมันเกิดความอิมโมอิมใจขึ้นมามีปีติขึ้นมาใจเรามีอาหารที่ดีมาหล่อเลี้ยงมันมีคุณธรรมความดีหล่อเลี้ยงมีความสุขโดยไม่ต้องอาศัยคนอื่นอาศัยตัวเองอาศัยกรรมของตัวเองคือการกระทําของเราเอง เน่อยู่มานานๆอย่างหลวงพ่อน้ําจะเห็ น, นคนรุ่นเดียวกันนะส่วนใหญ่เขาก็ไม่ใช่คนชั่วนะเขาก็คนดีดีอย่างโลกโลกเขาก็มีความสุขอย่างโลกโลกส่วนหลวงพ่อภาวนามาตั้งแต่เด็กไม่เคยหยุดเลยใจมันต้องการอิสรภาพภาวนาไปล้าเห็นนะใจมันถูกขังอยู่มีเปลือกห่อหุ้มมีกรงขังใจอยู่ มันถูกใส่อยู่ในแคปซูลแคบๆใจมันยอมรับไม่ได้จากใดที่ไม่มีอิสรภาพยังเป็นทาสอยู่ยเป็นนักโทษอยู่เรายอมไม่ได้งานหลักของเราตอนนั้นรู้สึกเลยงานของเราคืองานแหกคุกเราต้องแหกคุกนี้ให้ได้ เรื่อภาวนามาเรื่อยๆนะคุกมันก็เบาบางลงไปใจเราก็เป็นอิสระมากขึ้นมากขึ้นมันมีความสุขไม่มีความเต็มมันมีความอิ่มอยู่ในตัวเองเวลาตอนนี้ถึงวาระแก่ก็แก่ยังมีความสุขเวลาเจ็บไข้นะก็ยังมีความสุขอยู่โรงพยาบาลตั้งหลายเดือนรวมแล้วร่วม ค่อนคปีตั้งแต่พฤษภาออกมาทันวาแต่ก็มีช่วงเว้นอยู่ช่วงเดือนหนึ่งกลับมาอยู่วัดหมอเคยไปถามนะทั้งหมอทั้งพยาบาลหลวงพ่ออยู่โรงพยาบาล น, นานๆเ น, น, น, นเบื่อไหมไม่เบื่อเบื่อเป็นโทสะอย่างนี้เขาฟังไม่เข้าใจหรอกดังน้นใจที่ฝึกอบรมดีแล้วนะ ไม่ว่าอยู่ในสถานการณ์อะไรมีความสุขมีความสงบอยู่ไดนะ้เวลาหมอเขาจะผ่าโน้นผ่านี้อะไรนะเราก็ดูร่างกายมันเจ็บใจเราเป็นคนดูนะเราไม่ได้เดือดร้อนด้วยปล่อยร่างกายให้เป็นหน้าที่ของหมอจัดการนะใจไม่มีใครจัดการแทนเราได้เราก็ดูแลใจของเราไป เจ็บป่วยนะสุขภาพจิตดีนะมันที่หายเร็วนะอย่างหลวงพ่อไปปลูกถ่ายไขกระดูกโอ้มันโหดมากนะปลูกถ่ายไขกระดูกพวกหมอถึงขนาดบอกเลยว่าเหมือนภูเขาใหญ่ๆลูกหนึ่งที่ฝ่าไปยากมากปกติเข้าไปแล้ว กว่าจะได้ออกนานบางคนไม่ได้ออกอยู่โรงพยาบาลอยู่งันนะทุดโทรมอยู่กันหลวงพ่อไปอยู่ไม่นานอยู่ไม่นานก็ไหลนะ่ประมาณไม่เต็มเดือนดีแล้วเ น, นเราตั้งใจเราจะต้องออกจะต้องออกให้ได้ตั้งใจไว้ วันที่เราคิดจะออกลนะ้วเป็นวันเสาร์วันพฤหัสเนี่ยยังมีสายเรื่องสายฮิกแมนต่อเข้าไปกับเส้นเลือดเจาะหน้า อ, อกสายยังไม่ได้ อ, ออกเลยจะกลับบ้านได้ไงนะเราก็ตั้งใจเด็ดเดี่ยวนะพรุ่งนี้วันสุขบ่มหมอต้องเอาออกนะทำใจให้เด็ดเดี่ยวไวนะ้หมอมาเอาออกจริงนะ เราเราตั้งใจเด็ดเหนียววันรุ่งขึ้นเราจะออกจากโรงพยาบาลให้ได้ก็ออกมาจนได้นะใจแข็งแข็งไว้ใจอ่อนแอนะอเป็นนิดเดียวก็ตายแล้วทำใจแข็งแข็งใจจะแข็งนะต้องไม่รักตัวเองนะถ้ารักตัวเองแล้วใจฝ่อห่วงนี่ตัวเราของเราห่วงมากมากใจฝ่อ เป็นไรหน่อยนะครับใจฝ่อแล้วบางคนถูกนามตำตกใจมากเลย้นามตำคนบ้านนอกเนี่ยหนามตำเป็นเรื่องปกตินี่นามตำานะโอ้ยต้องไปแรกเลยเอาผ่าหนามออกฉีดยากันบาด ท, ทยักนะแล้วก็ตคิดต่อไปอีกควรจะเป็นโรคอะไรอีกนะสารพัดเลย เครียดเครียดมากบางคนไปตรวจร่างกายตรวจร่างกายไปจําปีนี่แหละตรวจแล้วหมอบอกว่าเป็นมะเร็งขั้นที่หนึ่งช็อกตายมีนะช็อกตายไปเลยไม่ได้ตายเพราะมะเร็งนะตายเพราะตกใจว่าเป็นมะเร็งนอันนี้ก็มีเนื้อใจที่ไม่ได้ฝึกนะ มันไม่มีที่พึ่ ง, งจริงๆเลยเวลาจะหาที่พึ่งจะทําทไงก็ไปบ่นสินะบ่นหลวงพ่อโสทนบ่นพระแก้วบ่นโน่นบ่นนี่ไปนะแทนที่จะไปบ่นหมอเพราหมอเป็นคนรักษาหลวงพ่อไม่ได้มารักษาด้วยบางคนมาขอพรหลวงพ่อว่าเนี่ยแม่เป็นมะเร็งขอพอหลวงพ่อพ่อบอกหลวงพ่อยังเป็นเลย มีช่วยแม่เธอได้ยังไงนยหวังพึ่งอะไรลมลมแง้งแงนะเพราะใจมันไม่มีที่พึ่งใจมันมีที่พึ่งมันจะเชื่อเรื่องกรรมก่าผลของกรรมถึงวาระที่กรรมตัดรอนเนะทวดาหน้าไหนก็ช่วยไม่ได้ถึงวาระที่ยังไม่ควรจะตายนะมันก็ไม่ตายพระพุทธเจ้าท่านเลยจำแนกไหมโรคบางโรคนะ รักษาก็หายไม่รักษาก็หายโรคบางโรคนะโรคบางโรครักษาก็หายไม่รักษาเนี่ยไม่หายโรคบางโรคนะรักษาไม่หายนะรักษาก็ตายไม่รักษาก็ตายเป็นอย่างนี้แล้วเราจะเป็นโรคโน้นโรคนี้อะไรนะกรรเป็นตัวจำแนกกรําเป็นตัวจำแนก งั้นเวลาเป็นโรคร้ายแรงอะไรนะก็คิดนะเป็นเวลาชัยนี้ตั้งใจไว้อย่างเงี้ยเราอย่าทํำกรรมชั่วครั้งใหม่อย่างบางคนอายุสั้นบางคนอายุยืนบางคนอายุสั้นนะเพราะว่ามีกรรมเรื่องปานาติบาตในสายครูบาอาจารย์วัดป่าก็มีนะมีวงค์หนึ่งหลวงปู่มั่นท่านบอกเลยองค์เนี้ย บวชได้แค่เนนหลายชาติมาเนี่ยเคยบวชได้เป็นเนนไม่เคยได้บวชพระตายก่อนทุกทีเลยตายก่อนจะถึงยี่สิบไม่เคยได้บวชพระท่านบอกว่าเนนองเนี้ยเคยเกิดเป็นเสือเราก็ฆ่าสัตว์ไปเยอะวิบากมันก็ให้ผลมาบางคนก็อยุยืนนะไม่ได้มีปาณาติบาต แต่บางคนมีปานาติบาตแต่ไม่ร้ายแรงทำอะไรเล็กๆน้อยๆนยนะพวกนี้ก็จะเจ็บกระสอบกระแสะไม่ค่อยเป็นอะไรร้ายแรงนะี่ือพวกที่ไม่ค่อยเจ็บไม่ค่อยไข่อะไรกับใครเาพวกนี้ไม่มีกรรมตัวนี้พูดไปแล้วเหมือนนิยายไปภาวนาให้ได้ตาทิพ เก็ดูเอานั่งภาวนาแล้วก็ดูเอ า, น า, น า, เอาคนนี้ตายแล้วทาไมไปเกิดตรงนี้คนนี้ตายแล้วทาไมไปเกิดที่นี้เราจะเชื่อเรื่องกรรมเรื่องผลของกรรมนี่ถ้าดูได้นะถ้าดูไม่ได้บางคนก็แค่เห็นผีสามนางไม้เห็นอะไรเห็นนรกเห็นสวรรค์อันนีนะ้ระดับต่ำลงมาหน่อยมันก็จะกลัวไม่กล้าทำชั่วกลัวตกนรก อยากทำดีอย่างนี้ก็ยังพอใช้ได้งัการที่รู้ที่เห็นเลยบางทีก็มีประโยชน์เหมือนกันไม่ใช่งงงง่งงายซะอย่างเดียวแต่ถึงเรารู้เราเห็นนะเราอย่าพูดถ้าเราพูดเนะี่ยในโลกนี้คนที่ไม่มีศรัทธาเนี่ยเยอะเขาไม่เชื่อพูดไปเขาหัวเราะเยาะงั้นเรารู้เราก็เก็บไว้ในใจของเราภาวนาไป เรารู้แล้วเราเห็นวนะ่าผีมีจริงๆสวรรค์มีจริงนรกมีจริงเราไม่กล้าทําบาปอันนี้เราได้ประโยชน์ของเราแล้วถ้าเราเที่ยวเล่านะก็จะมีคนคนโง่ก็จะเชื่อเราคนที่เชื่อยากก็ก็กจะดูดถูกเหยียดหยามเมาไม่เกิดประโยชน์คนโง่มาเชื่อเราเนี่ยยิ่งแ ย, ย่ใหญ่ชาพูดไม่ควรจะโง่ คนโง่เป็นชาพุธไม่ได้ชาพุธต้องเป็นคนฉลาดเพราะว่าพุทธะว่าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเป็นผู้รู้ไม่ใช่ผู้หลงมงมไงงั้นถ้าเราภานามไม่เห็นไม่รู้ไม่เห็นนะเราก็ลองสังเกตตัวเองง่ายๆเลยว่าเวลาเราทำความชั่วสิ่งที่ตามมานี่เป็นสุขหรือเป็นทุกข์คอสังเกตที่ใจเรานี้แหละ อย่างเวลาไม่ต้องชั่วอื่นไกลหรอกนะเวลาจิตมีราคาแรงๆนะพอผ่านช่วงที่จิตมีราคาแรงๆไปแนละ้วดูสิจิตมีความสุขหรือว่าจิตฟุ้งซ่านดูออกไมมตรงนี้ใครเคยสังเกตตัวเองพอมีราคาแรงนะถัดจากนั้นนะจิตจะฟุ้งซ่านไม่มีความสุขไม่มีความสงบหรอกเลยแม้ก็เบลอหลงอะไรไปเลย เนี่ยเวลาเราทำตามใจกิเลสนะมันมีผลให้เราเห็นไม่มีหูทิพตาทิพชิดูยาวๆหัดดูในปัจจุบันนี้ก็ได้ก็จะเห็นเวลามาฟังหลวงพ่อเทศนะรู้สึกไหมจิตใจมันฮึกเฮิมจิตใจมันมีพลังมันมีความสุขมาฟังธรรมจิตมันเป็นกุศลผลที่ให้กับเรานะคือความแช่มชื่นเบิกบาน มันจะมีความแช่มชื่นเบิกบานตามมาพวกเรายัางมาวัดได้บ่อยสมัยหลวงพ่อนะมันไม่มีเครื่องมือสื่อสารอะไรเท่าไหร่หรอกครูบาอาจารย์อยู่ไกลๆลเราก็เก็บวันลาไว้ถึงเวลาลาไปหาท่านพอไปถึงที่ท่านาพาธเราไม่รู้ล่วงหน้าว่าทานาพาธไม่ได้พบบาทีไปถึงนะ ขึ้นไปถึงอย่างโลปูสิบนะขึ้นไปถึงท่านผาปล่องไปหาท่านท่านมางงุงเทพแล้วเราขึ้นจากกรุงเทพไปหาท่านที่เชียงใหม่นะสวนกันเนี่ยโอกาสที่จะเจอครูบาจารนยะ์น้อยโอกาสน้อยมากเลยแต่หลวงพ่อสังเกตยอย่างนะทุกครั้งที่เจอเนี่ยจิตใจเราจะห้าวหารเข้มแข็งในการปฏิบัติไปช่วงยาวๆช่วงหนึ่งเลย จิตจะทรงสมาธิอยู่ประมาณเจ็ดวันให้ช่ำชื่นเบิกบานไปสัก1ิบห้าวันคือเกือบเกือบเดือนบางช่วงมีปีติมากมีเกือบเดือนมีแรงที่จะภาวนาี่ช่วงที่เหลือนีน่งช่วยตัวเองช่วงเวลาที่เหลือพยายามช่วยตัวเองทุววันไหวพระสวดมนต์ทำสมาธิ หลวงพ่อไม่ค่อยเดินชงกรมที่บ้านเป็นบ้านไม้บ้านไม้กระดานเวลาเดินแลจะล้องเย็ดเยด เ, ย ด, เยดนะเดินเพราหลวงพ่อจะเดินเบาถ้าเดินแล้วบ้านล้านเยด็ดเย็ดเนี่ยผู้ใหญ่จะดูเอาจะบอกขู่เราไม่จะเอาไม้มาเคาะตะตุ่มเราเดินดังพราดหลวงพ่อยุทรุ่นหลังๆนี่นะที่พื้นปูนอย่างเนี้ยเดินตึงต้งตึง้งตึ้เรายังได้ยินเลยนะ จะออกไปเคาะตะตุตมแล้วก็กลวมติเอาขวัรุ่นหลังนี่มันลายขึ้นทุกทีแนละ้วว่ามากก็ไม่ได้นะโกรธว่ายากสอนยากนี่เราสังเกตที่ใจเรานะเวลาเราสร้างคุณงามความดีสิ่งที่ตามมานะเป็นความเบิกบานใจมีความสุขเวลาเราไปทําอะไรที่ไม่ดีมานะจิตใจจะเศร้าหมอง เนี่ยผลของกรรมที่ให้ผลทันตาเห็ น, นอย่างกรรมบางอย่างแรงกรรมบางอย่างแรงบางอย่างกรรมไม่แรงอย่างกรรมแรงนี่ปลามาตร่วงเกินผู้ที่ไม่ควรร่วงเกินนี่กรรมแรงจิตใจจะฟุ้งซ่านฟุ้งอย่างแรงเลยนะอย่างถ้าเราไปร่วงเกินครูบาอาจารย์ อย่างบางคนมันห้าวหาันมันดาลงตามาหาบัวอะไรเงนี้ลงตาเนี่ไม่ได้เรื่องยังง้นยังนี้อะไรย่างนี้พวกเนี้นะใจจะเหมือนจะแตกเลยจนจะฟุ้งสุดขีดเลยนะไม่บ้าก็ใกลบก้บ้าไม่บ้าก็ใกลบก้บ้าเงันอย่างประมาตร่วงเกินในตําราก็บอกนะปลามาตร่วงเกินพระอรหันตะ์เนี่ยจะเข้าถึงความเป็นบ้า มันเหมือนคนบ้ามันเหมือนคนบ้าทันทีเลยเราก็ไม่สามารถยืนยันได้ว่าหลวงตาเป็นพระอราหารันต์หรอกแต่เราสังเกตดูว่าคนที่ไปปลามาร่ว่งเกินท่านเอาดีไม่ได้อดีไม่ได้บางคนบ้านก็อยู่ไม่ได้นะเราร้อนห น, นีไปอยู่ต่างประเทศประเทศไหนก็อยู่ไม่มีความสุขย้ายร่อนเร่ไปเร่เร่มันไม่มีความสุข เนี่ยถ้าเราสังเกตนะสังเกตตัวเองนะดีที่สุดเวลาเราทํากรรมชั่วเนี่ยผลของมันนะแผดเผาใจของเราเล้าร้อนเวลาเราสร้างคุณงามความดีนะจิตใจเราอิ่มเมอิบเบิกบานมีความสงบมีความสุขภาวนา ง, ง่ายเนี่ยเห็นตรงนี้เราก็จะเข้าใจกฎแห่งกรรมเพราะฉะนั้นพอเราเข้าใจกฎแห่งกรรมแล้วเราเชื่อเรื่องกรรมเรื่องผลของกรรมอะ อันนี้เป็นคุณธรรมอันหนึ่งของพระโสดาบันพระโสดาบันเนี่ยไม่เชื่อมงคลณตื่นข่าวว่าไอ้โนทนดีไอ้นี่ดีไปกลับจริงจบสองหางแล้วดีอะไรเงี้ยไม่เชื่อเชื่อเรื่องกรรมเรื่องผลของกรรมถือศีลห้าไว้การรักษาศีลห้าไว้เนี่ยก็เป็นคุณสมบัติของพระโสดาบัน การเคารพแน่นแฟนเชื่อมั่นในพระพุทธธรรมพระโสดาบันนี่ก็เป็นคุณสมบัติของพระโสดาบันในวันนี้เรายังไม่ได้เป็นพระโสดาบันเราพยายามเรียนแบบคุณสมบัติของท่านก่อนดูเส้นทางที่ท่านเดินท่านเดินในเส้นทางไหนท่านเดินในเส้นทางของการเจริญสติเท่านั้นแหละไม่มีหลอกลอยๆมาเป็นโสดาบันลอยไม่มีก็ต้องเจริญสติเจริญปัญญามาเท่านั้นแหละ ทำสมาธนะิให้ถูกต้องนี่ท่านเดินมาทางนี้แล้วก็ท่านได้อะไรมาท่านมีคุณสมบัติท่านเชื่อมั่นในพารัตนะใจยันเราอะไรที่ออกนอกรู้นอกทางของพราราตนะใจก็เลี่ยงเลียงซะแต่ไม่ต้องขัดขอเขาอย่างคนเขาอยากบวงสวงเทวดาอะไรเรื่องของเขามันไม่ได้ว่าทำชั่วอะไร แต่ถ้าเขาไปฆ่าไก่เชือดคอไก่ไปไหว้เทวดาอันนี้ไม่ถูกนะหนังนี้ผิดศีลนะมันก็ไม่ควรยกย่องแต่ถ้าเขาไม่ได้ทำกรรมชั่วอะไรเอากล้วยไปไหว้เทวดาเขาไหว้แล้วเขาสบายใจแล้วเขาเชื่อเทวดานะเทวดามีคุณธรรมคือมีฮิริโอตตปามีศีลห้าเราเชื่อเทวดาแล้วเขารักษาศีลห้าได้ก็ดีกับเขาแล้วไม่ต้องไปว่าเขานะ เขามีความสงบมีความสุขเขามีความดีของเขาก็ดีแล้วแต่สําหรับเราเนี่ยเรารู้ว่าอะไรเป็นที่พึ่งที่แท้จริงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เท่านั้นเป็นที่พึ่งที่แท้จริงเพราะอะไรเพราะท่านสอนการปฏิบัติให้เราพอเราลงมือปฏิบัติตามที่ท่านสอนนะตามที่หลักของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พอเราลงมือปฏิบัติแล้วเราเห็นผลเราได้รับประโยชน์ได้รับความสุข แล้วเราจะไม่ไม่คอนแคลนคนที่ไม่คลอนแคลนจริงๆต้องโูดบัดขึ้นไปพวกเราก็พยายามอยากคลอนแคลนมากอยาปเชื่ออะไรง่ายนะบางทีมก็เอาไปปล่อยข่าวนะมีนะเนี่ยหลวงพ่อเพิ่งได้ยินมาเขาบอกว่าหลวงพ่อเนี่ยเริ่มใสเสือนะเสือสำนักอะไรก็ไม่รู้นะ ยังจำชื่อไม่ได้เนะเราก็งงนะเราไปหาเสือที่ไหนวะบอกว่าเสือเนี่ยต้องขลังมากเลยเพราะหลวงพ่อประโมทยังมีเลยทำไมจะไม่มีลนะ่นะก็เขามาให้อนะได้เจอกันที่เรือบินนะว่าถวายเสือเนยะเราก็ไปลือนะต่อไปเราจะมีเสือเป็นสรณะนะนะ พยักคังสารนังขจามิะอีกพวกหนึ่งก็เชื่อแต่ฟิสิก์เชื่อแต่ฟิสิกฟิสิกคังสารนังขจามิไม่มีพุทธังสารนังขชามิงั้นอย่างงมงายะเชื่อในกรรมเชื่อผลของกรรมรักษาศีลห้าไว้ให้ดี mm hmm. คุณสมบัติของเราดีนะเราภาวนาจเจริญส ต, ติตามร่องรอย ทีพระอริยะเจ้าทั้งหลายท่านเดินเราก็จะเดินสะดวกเดินไปได้สะดวกนี่จนเราได้สักขาขาแล้วนะเราก็ดูคุณสมบัติของพระนาคาคุณสมบัติของพระนักขาเนี่ยท่านพ้นจากกามราคะเราก็หัดถือศีลแปดถืออะไรไปนะหัดอดข้าวเย็ยนบ้างอะไรบ้างนะฝึกนะเรียนแบบนะเรียนคุณสมบัติท่าน ค่อยๆฝึกตัวเองไปขั้นแรกเนี่ยถือศีลห้าให้ดีเชื่อกรรมเชื่อผลของกรรมพิสูจน์ด้วยตัวเองทำชั่วมันทุกข์นะทำดีมันสุขนะพิสูจน์ด้วยตัวเองก็เคารพแน่นแฟ้นในพระรัตนตรยัยถ้าเชื่อกรรมกับผลของกรรมจะเคารพพระรัตนตรยัยเพราะว่าพระรัตนตรัย ถ้าเราเชื่อกรรมเชื่อผลของกรรมเรารู้จริงตัวเนี้เราจะเคารพพระพุทธนตใจบุงคนมันปรามาสพระพุทนตใจเพราะมันไม่เชื่อกำไม่เชื่อผลของกรรมอะพอสมควรแล้วนะไปกินข้าวยังไม่ได้ไล่กลับบ้านนะพอสมควรแล้วเชิญกลับบ้านนะอยากเชิญเหมือกนกันนะแตเ่เดี๋ยวไม่ไปนี่หมดแล้วครับ